บุ๊ก <Book> <52. S 3> ทูห้าสิบสอง52ในห้างสรรพสินค้าในบุติกัเราไปห้างสรรพสินค้ากันไหมสกอลบิโกติลบุติกันดิฉันต้องไปซื้อของ ดิฉันอยากซื้อของหลายอย่างฉันอยากซื้อของหลายอย่างฉันอยากซื้อของหลานอย่างฉันอยา r ซื้อของหลายอย่ฉันอยากซองจดหมายรื่องียนยากซื้อของห e าอย่ e ดิฉันต้องการปากกาลูกเลื่นและปากกาเมจิกฉันต้องการคีบปากกาและปากกาลนกเ่นฉันต้องการปากกาลูกเลื่อนและปากกาเมจิฉันต้องการขีนังสือและั้นวาหนังสือ Jeg trenger แพนแนกของเล่นอยู่ที่ไหนคะวูร์เอร e เล็กเกต่ดิฉันต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมีฉันต้องการไอ้ดุ๊กและบัมเซ่ดิฉันต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุกฉัน e ้องการฟุตบอลแ t, t, t s ช็อคส์ปิ l แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนคะบูร์อา e ์วาร์ e ดิฉันต้องการค้อนและคีมเจ้ตระแหนงหนึ่งหัว e ือและไอ้ทดิฉันต้องการสว่านและไข er ควงเจ้ตระแหนงเอ t ดบอร์แลแผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน ดิฉันอยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือฉันอยากได้แหวนและต่างหูฉันอย e กได้สร้อยคอและสร้อยข้อม